สมนันตรปัจจัยเป็นต้นห้าสบสาสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยสมนันตราชัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัยในปฏิจัวาระสหชาตะปัจจัยมีเก้าววะะเหมือนกับสหชาตะวาระในปฏิจัวาระอัญญะมัญญะปัจจัยเหมือนกับอัญญมัญญะปัจจัย มีสามวาระในปัจจยาวาระนิจยะปัจจัยเหมือนศับนิจยาวาระแม้ทั้งสี่ปัจจัยไม่มีคาตนาแผนกหนึ่งมีสิบสามวาระอุปนิจยาปัจจัยาสสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยอุปนิจยาปัจจัยมีสามอย่างคืออราริมนูปานิจยะ อนันตรูปานิสียะและปะคะตูปานิสียะปะคะตูปานิสียะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถธ ร, รมฌานวิปัสนาอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n a เธอทิฏฐิบุคคลอาศัยศีลที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติสุตตะชาคะปัญญาราคะโทสะ โมหะมานะทิฐิความปรารถนาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถรำฌานวิปัสสนาอภิญญาสมาบัติฆ่าสัตว์ทำลายสงศธาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติปัญญาราคะความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่งศรัทธาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติปัญญาราคะความปรารถนาโดยอุปณิสยปัจจัย เบริกราปมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานโดยอุปนิสัยปัจจัยเบริกมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปจัจจัยแก่เนวสัญญ า, ญ า, าญน า, า, ญญญานนนสัญญายตนะโดยอุปนิสัยปัจจัยปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ เป็นปัจจ um. ัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยอุปาณิสย e ปัจจัยมีสองอย่างเคลื่อนันตะรูปานิสยะและปกระโตปนิสยาปกระโตปานิสยะได้แก่บริกรรมปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรคบริกรรมเจตุธมรรคเป็นปัจจัยแก่เจตุธมรรคโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคือนันตารูปานิสยะและปะกาตูปานิสยะปะกาตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติแล้วทําตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนสวยทุกข์มีการสแสวงหาเป็นมูลอาศัยศีลที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติปัญญาราคะความปรารถนาแล้วทําตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรน เวทุกนิพพานสแสวงหาเป็นมูลศรัทธาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติปัญญาราคะความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและภารสมาบัติโดยอุปาณิสยปัจจัยกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปาณิสยปัจจัยห้าสห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน โดยอุปาณิสยาปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกาตูปาณิสยะได้แก่ปฐมมักเป็นปัจจัยแก่ทุติยมักแตติยมักเป็นปัจจัย แ, แก่เจตุทั้งมักโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณูปาณิสยาและปกาตูปาณิสยะปะกาตูปาณิสยะได้แก่ พระเสขะอาศัยมรรคแล้วทำกุศลและสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้ากุศลละสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตามรรคของพระเสขะเป็นปัจจัยแก่อัตตปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทาเนรุติปฏิสัมพิทาปฏิภาณิปฏิสัมพิทาความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและไม่แช่ฐานะโดยอุปาณิสยปัจจัย สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคือรามณูปาณิสยาอันันตารูปาณิสยาและปกาตูปาณิสยะปกาตูปาณิสยะได้แก่พระอรหันต์อาศัยมักแล้วทำกิริยาสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้ากิริยาสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเป็นปัจจัยแก่ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะ โดยโอุปาณิสยปัจจัยมักเป็นปัจจัยแก่พระราสมาบัติโดยอุปาณิสยปัจใจห้าสหสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคือรามณูปนิญสยอันันตารูปัจญสยาและปกะตูปัจญสยปกะตูปัจญสยได้แก่ บุคคลอาศัยสุขทางกายแล้วทําตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนสวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วทาตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและพระสมมาบัตดโดยอุปาณิสยาปัจจัย พระอระหันต์อาศัยสุขทางกายแล้วทำกิริยาสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเห็นแจ้งอาศัยทุกทางกายอุตุโภชนะเศนาชนะเห็นแจ้งสภาวธรรมที่ม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออาราโมปาณิสยาอเนานตารูปาณิสยาและปะกะตูปาณิสยา ประกาตัวปาณิชยะได้แก่บุคคลอาศัยสุขทางกายแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสงอาศัยทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทานทำลายสง์สุขทางกายเสยนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติปัญญาราคะความปรารถนาะโดยอุปาณิชยปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณูปาณิสยะและปะกะตูปาณิสยะปะกะตูปาณิสยะได้แก่บุคคลอาศัยสุขทางกายแล้วทำมักให้เกิดขึ้นอาศัยทุกทางกายเสนาชนะแล้วทำมักให้เกิดขึ้นสุขทางกายทุกทางกายเสนสาชนะ เป็นปัจจัยแกม่มรรคโดยอุปาณิสยปัจจัยปูเรชาตะปัจจั ย, จจย57สสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติรละนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน โดยบุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะบุเรชาตะและวัตถุบุเรชาตะอารมณะบุเรชาตะได้แก่พระอระหันตเห็นแจ้งจากสุหาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขูฟังเสียงด้วยที่ประสงคทาตรรูปลายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณโผฏฐายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยบุเรชาตปัจจัย วัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขาญาติณะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายญาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่าง เพออารัมมณบุเรชาตะและวัตถุบุเรชาตะอารัมมณบุเรชาตะได้แก่พระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งจากสุหัตถวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรากฏความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมณะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขุ่ฟังเสียงด้วยที่ประโสธทาต วัตถุปุเรชาตะได้แก่หทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยปุเรชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยปุเรชาตะปัจจัย ปัจฉาชาตะปัจใจห้า8สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานโดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแคลไลนิที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพาน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 ขันที่ไม่เป็นเห็นให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแคลไลนี้ที่เกิดก่อนโดยปอาชาวณะปัจจยัยอาสจจัย59สภาวะธรรมที่เป็นเห็นให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเห็นให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยอาเซวณปัจจยัยได้แก่ขันที่เป็นเห็นให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเกิด่ก่อน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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยอาเสวนาปัจจัยได้แก่ขันที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่คันที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเกิดหลังๆโดยอาเสวนาปัจจัยคำว่าปัจจัยหกสิบ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 สหาชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่จิตตสโมทานรูปโดยกรามปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและประตัารูปโดยกรามปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ และที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจะขันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยหกสิเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน เป็นปัจจัยแก่สำเพ็ญยุติขันโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่ เจตนาที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากโดยกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยกรรมะปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สัมพุตฌะขันธ์และจิตตสโมทฐานุรูปโดยกรรมะปัจจัย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 เป็นปันจจัยแก่สามปยุติขันและกระตาตารูปโดยกร r m ปัจจัยวิปากะปัจจัย 62. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยวิปากะปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สา ในปฏิสนธิขณะขันเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิปากะปัจจัยอาหารรับปัจใจเป็นต้น63สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยอาหารรับปัจใจเป็นปัจจัยโดยอินทรียะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรคภาปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตะปัจจัย วิปยุตตปัจจัย64สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างเคสหชาตะและปัจชาชาตะสหชาตะได้แก่คันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตะปัจจัยปัจชาชาตะได้แก่ ขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่ไลในที่เกิดกอนโดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาติได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่จิาาตดดตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตะปัจจัย ปัจฉาชาตาได้แก่คันที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสามอย่างเค <h ata, S 2> ย ata, ชาชาตาบรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตาได้แก่ ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่จิตตสมถานรูปโดยวิปยุตตาปัจจัยในปฏิ ma. นสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปโดยวิปยุตตปัจจัยขันธ์เป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิปยุตตปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่ ใจคลายยตนะเป็นปัจ <interpret> จ <ations> ัยแก่จักขูวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยวิบยุตตาปัจจัยปัจจัยชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน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 ได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยวิปยุตตะปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้นหกสห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่ขันสาม สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถ <se ắm> ึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ เป็นปัจจัยแคลไลในที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแค่ขันธ์สามและจิตตสมุมฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันธ์สอง สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานมีสามวาระพึงทำตามนิยะแห่งสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติหกสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติ t t และนิพพานโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหาชาตะปุรชาตะปัจฉาชาติมหาระและอินทรียะ สหาชาติได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันเป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุโดยอธิปัจจัยหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน สำหรับเราอสัญญาสัตยพรมปุเรชาตะได้แก่พระอรหันต์เห็นแจ้งจากสุหาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเห็นรูปด้วยที่ประจักขูฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญ ญ, ญาณโพธพายาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณจักขายญาตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณกายายญาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ พาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยอธิปัจจัยปภาชชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยเกลลิงกะราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้รูปปัจฉิวตินสีเป็นปัจจัยแก่ตาตารูปสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน เป็นปัจจัยแกสพาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวเคเบเรชาตะได้แก่พระเสขาหรือปุตุชนเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตายินดีเพลิเพลินเพราะปรารูความยินดีเพลิเพลินจากสุนั้นราคะโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตะมทยวัตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงยินดีเพล่เพลิน เพราะปรารบความยินดีเพื่อเปลินโสตเป็นต้นนั้นราคะโทมณะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิปจักขุฟังเสียงด้วยทิปโสตธาตุหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยอธิปั จ, จัยมีอย่างเดียว คือปุเรชาตะได้แก่หทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยอธิปัจจัย67สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ ขันหนึที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและหทัยวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอัติปัจจัยขันสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยอธิปัจจัยมีสอย่างคือสหชาตะปัชาชาตะมหาระและอินทรีย์ ชาชาตะได้แก่ค eh ันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและโกลิงราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและรูปชีวิตินทรียีเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยอธิปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยอธิปัจจัยพึงเพิ่มสองวระตามในที่แสดงแล้วเป็นปัจจัยโดยนติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยเอาวิคตะปัจจัย เจยานุโลมสองสังคยาวาระสุทไนหกสิบแปดเหตุปัจจัยมีเจดวาระอรามะนปัจจัยมีเจดวาระอธิปติป right? ัจจัยม yeah> right? ีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีหกวาระสมนันตรปัจจัยมีหกวาระสหชาติปัจจัยมี9้าวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสิบสามวาระ อุปนิสยปัจจัยมี9้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีสมวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสวาระอสิวะนปัจจัยมีสมวาระกรรมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีเจดวาระอินทริยปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจวาระมัคราปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสมวาระ วิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีสิบสามวาระนัตถิปัจจัยมีหกวาระวิคตะปัจจัยมีหกวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระอนุโลมจบสองปัจจนียุทธาระหกสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแกสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยอรมณปัจัย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 มีสี่อย่างคือชาชาตะปัชาชาตะอาหาระและอินตรียะสองปัจจะยะปั จ, จนิยะ 2. สังคยาวาระสุทไนเจ็ดสามเหตุปัจจัยมีสิบห้าวาระณนะอารมณะปัจจัยมีสิบห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีสิบห้าวาระณอนันตะระปัจจัยมีสิบห้าวาระณนะสมนันตระปัจจัยมีสิบห้าวาระ นสหชาตปัจจัยมีสิบเอดวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสิบเอดวาระนนิสยาปัจจัยมีสิบเอดวาระนอุปนิสยาปัจจัยมีสิบสีวาระนาปูเรชาตปัจจัยมีสิบสาวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบห้าวาระนอาเสวนปัจจัยมีสิบห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสิบห้าวาระนวิปากปัจจัยมีสิบห้าวาระ ณอาหารปัจจัยมี15้าวาระณอินทรีย์ปัจจัยมีสิบ้าวาระณจาณปัจจัยมีสิบ้าวาระนมัคคปัจจัยมีสิบ้าวาระณสำปรยุติป<น>ัจจัยมีสิบอดวาระณวิปรยุติปัจใจมีเก้าวาระโนอัติปัจใจมีเก้าวาระโนนาติปัจจัยมีสิบ้าวาระโนวิขะตปัจจัยมีสิบ้าวาระโนอวิคตะปัจจใจมีเก้าวาระ คือนับอย่างนี้ปัจจ尼ยจบสปัจจญานุโลมปัจจ尼ยเฮตุทุกขไนเจ็สิบสณอารมณะปัจจัยขเพตุก ป, ปัจจัยมีเจ็ดวาระณนะอธิปติปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระณนะอนาตตะปัจจัยมีเจดวาระณนะสมนันตะปัจจัยมีเจดวาระณนะอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระ นอุปาเนจยปัจจัยมีเจดวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนาัช้าชาตะปัจจัยมีเจดวาระนอาศิวนปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจใจกะเภรตุปัจจัยมีเจดวาระนวิปากปัจจใจละถึงมีเจดวาระนอาหารปัจจัยมีเจดวาระนอินทรียะปัจจัยมีเจดวาระนาชานะปัจจัยมีเจดวาระ <änger> <commencer> ณมคคะปัจจัยมีเจดวาระณสัมบยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจญยะปัจจนียานุโลมณเหตุทุกขในเจ็ดสอารมณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระ อาิปติปัจจัยละถึงมีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีหกวาระสมนันตระปัจจัยมีหกวาระสหชาตะปัจจัยมี9้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิจยปัจจัยมี13วาระอุปนิสยปัจจัยมี9้าวาระปุเรชาตตะปัจจัยมีสามวาระปัจชาชาตะปัจจัยมีสมวาระอาเสวณปัจจัยมีสามวาระ กรมปัจจัยมีเจดวาระวิภาคปัจจัยกับนเหตุกปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารรปัจจัยละถึงมีเจดวาระอินทริยปัจจัยมีเจดวาระฌานะปัจจัยมีเจดวาระมัคคะปัจจัยมีเจดวาระสตัญปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีสิบสามวาระนัตถิปัจจัยมีหกวาระ วิคตะปั จ, จัยมีหกวาระอะวิคตะปั จ, จัยมีสิบสามวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ยานุโลมจบอจยะคามิติกะจบ